แนะนำบทอัลกออริยาบทอัลกออริยาเป็นบทมักกิยาที่กล่าวถึงวันเกียร์มาและความน่ากลัวของมันและสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นเหตุการณ์ต่างๆที่ยิ่งใหญ่และน่าหวาดกลัวอทิเช่นการออกมาของมนุษย์จากสุสานการแพรก่กระจายของพวกเขาในวันอันน่ากลัวนั้นเสมือนกับมแมลงเม่าที่บินกระจายว่อนไปทั่วทุกขนทุกแห่งเดินไปเดินมาอย่างไม่มีระเบียบเพราะความงงงวยและความตกใจของพวกเขา บทนี้ได้กลาวถึงการระเบิดของภูเขาและการกระจายว้อนของมันจนกระทั่งกลายเป็นเสมือนขนสัตว์ที่ปลิวว้อนอยู่ในอากาศหลังจากที่มันแข็งตัวมั่นคงอยู่ในแผ่นดินมีการเปรียบเทียบมนุษย์กับภูเขาทั้งนี้เป็นการเตือนให้ตระหนักถึงผลของอัลกอริธึมที่ได้เกิดขึ้นแก่ภูเขาจนกระทั่งกลายเป็นขนสัตว์ที่ปลิวว้อนอยู่ในอากาศและจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพของมนุษย์ในวันแห่งความยากลําบากนั้น บทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวถึงตราชูซึ่งจะช่างกลางงานของมนุษย์มนุษย์จะแบ่งออกเป็นสองจำพวกคือบรรดาผู้มีความสุขและบรรดาผู้มีความทุกข์ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับความหนักและความเบาของตราชูบทถูกขน า, นานนามว่าอะลุกอริอะเพราะมันจะข้อจิตใจและการฟังให้ตรหนักถึงความหมายนะที่จะเกิดขึ้นะะ พระนามของลระผู้ทรงกรุณาผู้ทรนนงเมตตาเสมออลกอาริอะทุมาลกอริอะอลกอริอะอลกอริอะนั่นเกิด ah. อะไรเล่าที่ทาให้เจ้ารู้ว่าอลกอริอะนั ah. ้นเกิดวันที่มนุษย์จะเป็นเช่นแมลงเม่าที่กระจายวัน ال ال ن ن และบรรดาภูเขาจะเป็นเช่นขนสัตว์ที่ปลี่ยวว่างส่วนผู้ที่ตาชูคนเขาหนักเขาก็จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ผาสุข แต่ส่วนผู้ทิตราชูของเขาเบาที่พนักของเขาก็คือเหวลึกและอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าาวิยาคืออะไรคือไฟอันร้อนแรง